คำนิยมสำหรับหนังสือหิมะกลางฤดูร้อน Snow in the Summer โดยอริยาพรสิทธิธรรมพิชัยขอบคุณมากที่กรุณาส่งหิมะกลางฤดูร้อนมาให้อ่านในฤดูฝนหลายประโยคโดนใจมากๆคนแ ป, แปลแปลได้สละสลวยแบบมีภูมิธรรมเป็นทุนเดิมผู้เขียนก็ถ่ายทอดเป็นภาษาที่สามารถสื่อสารกับคนทั้งโลกได้โดยไม่ติดภาษาพระทาให้มองเห็นบรรยากาศจริงของนิทัศกา ร, รชีวิต หากผู้ใดเปิดใจกว้างขณะอ่านโดยไม่ตั้งป้อมติดรูปแบบหรือตีกรอบความคาดหวังไว้กับความเคยชินเก่าๆแล้วใช้ใจอ่านพิจารณากิเลสภายในตนตามก็จะเห็นความเป็นปุถุชนในสากลเหมือนมองภาพในกระจกที่สะท้อนให้เห็นเงาแห่งความละอายจนกล้าเปิดเผยสิ่งที่ปกปิดเพื่อพิจารณาให้ลึกซึ้งด้วยจิตสานึกฝ่ายสูงเชื่อว่า ที่มากกลางฤดูร้อนเล่มนี้จะมีส่วนช่วยเปลี่ยนฤดูการแห่งชีวิตของผู้อา่านให้ปลอดโปร่งร่มเย็นขึ้นมาได้ขอให้ประสบความสำเร็จในการนำผู้คนให้รู้จักวิธีคุมกำเนิดกิเลสและตามแกะอรอยไปได้จนกระทั่งถึงต้นตอ